มีชายหนุ่มคนนึงนะไปกินเลี้ยงงานวันเกิดเพื่อนแล้วก็กินเหล้าจนเมาระว่างที่ขับรถกลับบ้านเนี่ยก็ดึกแล้วนะพรากว่ารถเนี่ยมันวิ่งไปชนท้ายรถบรรทุกที่จอดอยู่ข้างทางอยู่ริมทางรถที่ขับมาด้วยความเร็ว พอประสานงานกับท้ายรถบรรทุกนี่ก็พังยับเยินเลยเจ้าตัวเนี่ยบอกว่ารอดชีวิตมาได้แต่ว่ากะโหลกร้าแขนสองข้างก็หักแกก็ทั้งเสียใจยแล้วก็โมโหนะโทษพระเจ้าว่าทำไมถึงทำให้ตัวเองเป็นอย่างนี้คือทำให้ตัวเองเนี่ยต้องประสบกับความ เจ็บปวดนะที่จริงเนี่ยอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรนะมาเกิดขึ้นเพราะความเมาหมาของตัวแต่แทนที่จะโทษว่าเนี่ยเป็นเพราะเรากินเหล้าเมาสุราแถมยังขับรถอีกจึงเกิดอุบัติเหตุก็ไปโทษพระเจ้านะว่าทำไมถึงทำให้เป็นอย่างนี้และที่น่าสนใจคือว่าช <c oughs> ายหนุ่มคนเนี่ย จริงๆแกก็ไม่ได้เชื่อพระเจ้านะเป็นคนไม่มีศาสนาแต่ตอนที่รู้ว่าเนี่ยรถกำลังจะชนท้ายรถสิบล้อเนี่ยแกก็พร้อมอยู่สติอยู่บ้างก็เลยตั้งจิตอธิษฐานว่าเนี่ยถ้ารอดตา ย, ยจะนับถือพระเจ้านะแล้วแกก็รอตา ย, ยาจริงๆนะ แต่ว่าแทนที่จะขอบคุณพระเจ้าก็กลับนาะต่อว่าพระเจ้าว่าทำให้ทำไงทำไมถึงทำให้ตัวเเป็นอย่างนี้เมื่อคิดดูก็แปลกนะเวลาเจออุปัติเหตุแบบนี้นี่ไปโทษพระเจ้าแทนที่จะโทษตัวเองแล้วก็แทนที่และในเมื่อตัวเองเนี่ยชีวิตรอดมาได้เนี่ย ปาาวัาสวทิฐฐานต่อพระเจ้าแทนที่จะขอบคุณพระเจ้าก็กลับมาต่อว่าพระเจ้าอะไรที่ทำให้ตัวเองกระรกร้าหรือว่ากระดูกหักเนี่ยก็ดูแปลกนะแต่ว่าคนแบบนี้ก็มีเยอะนะ่ละในวันจะมีเยอะมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเดี๋ยวนี้ก็มีชายหนุ่มหรือคนหนุ่มสาวจนไม่น้อยเนี่ย ชีวิตก็สุขสบายดีนะแต่พอเจอความทุกขนะ์ในเรื่องความสัมพันธ์กับคู่ครองความเครียดจาก ง, งานการมีความทุกข์มาโลุ้ยเสมันโหดร้ายก็ไปโทษพ่อแม่นะว่าทำไมทำให้ตัวเองเกิดมาต้องมาเจอความทุกข์แบบนี้มีความทุกข์เนี่ยแทนที่จะมองว่า เป็นพ่อการกระทาของตัวเองวางใจไม่ถูกหรือเปล่าหรือว่าใช้ชีวิตไม่ถูกต้องไหมกลับไปโทษพ่อแม่ว่าเป็นพ่อพ่อแม่ทำให้เกิดมาบางคนก็ฟ้องพ่อแม่เลยนะฟ้องเอาเรื่องขึ้นศาลเลยนะข้อหาว่าเนี่ยพ่อแม่ให้ฉันเกิดมาโดยที่ไม่ได้รับคำยินยอมจากฉันนะ มันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิ์เนียแบบนี้ก็มีนะแต่ถึงไม่บางคนก็อาจจะไม่สุดตรงขนาด น, นั้นนะแต่ว่าก็ลึกๆก็รู้สึกโทษพ่อแม่ว่าทำให้ฉันเกิดมาเจอความทุกข์นะไม่มีหลายคนนะกินตามใจปากนะอะไรอร่อยก็กิน และส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นพวกเนื้อนะหรือว่าของหวานพอกินไขมันเยอะกินของหวานมากนะเป็นโรคหัวใจโรคเบาหวานก็กลดาชะตากรรมนะว่าทำไมเนี่ยพระเจ้าจึงทำอย่างนี้กับฉันหรือบางคนที่ถือพูดก็บอกว่าเนี่ยช่างสุชสาตทำความดี สร้างบุญสร้างกุศลทำไมเนี่ยบุญไม่รักษาทำให้ฉันเนี่ยต้องมาเจ็บป่วยแบบนี้ไม่ได้มองตัวเองเลยนะว่า เ, เป็นเพราะการกระทําของตัวเองหรือเปล่านะที่ทำให้ต้องมาประสบเหตุร้ายแบบนี้เดี๋ยวนี้คนที่คิดแบบนี้มีมากขึ้นเรื่อยๆนะคือไม่ยอมมองตน เวลาเรียนไม่ดีได้คะแนนไม่ดีได้เกรดต่ำก็โทษครูบาอาจารย์ว่าให้เกรดยากนะหินทำให้ข้อสอบยากบางคนนึกกับรวมกันนะลงชื่อให้หมหาชนลอยปลดอาจารย์คนนี้เพราะว่าให้คะแนนยากเกินไปแทนที่จะกลับมา มองว่าเออเป็นเพราะเราไม่ขยันเรียนหรือเปล่าเป็นเพราะเราไม่ตั้งใจไม่เอาใจใส่นะเอาแต่เที่ยวเล่นนะสนสนาหรือเปล่าเนี่ยและส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นนะก็คือว่าไม่เคยได้ใส่ใจอาการเรียนทั้งที่ ร, รู้ว่าเกลืตัวไม่ดีก็ขยันนิดหน่อยแค่นั้นแหละอาทิตย์หนึ่งก็ขยันเพิ่มมาอีกหน่อยสักสองสามชั่วโมง ก็คิดว่าเต็มที่แล้ ว, วนนเพราะนั้นพอได้คะแนนต่ำเนี่ยก็เลยโทษอาจารย์ถึงกับล่ารายชื่อให้อาจารย์เนี่ยให้หมอชัยปลดอาจารย์คนนั้นแล้วก็มีบางหมอชัยนะทำง่ายจริงๆนะเดี๋ยวนี้อาจารย์ก็เลยเริ่มจะ ก, กลัวแล้วเนียต้องให้เกรดง่ายๆนักศึกษาจะได้พอใจจะได้ไม่มามรบกวน อันนี้เป็นพ่ออะไรนะเป็นเพราะว่าไม่ค่อยได้คนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้หันมาสนใจมองตนเท่าไหร่เวลามีความทุกข์เวลามีความเดือดร้อนก็ไปโทษคนนั่นคนนี้และที่น่าสนใจอย่างนี้ก็คือว่าเนี่ยอย่างที่เล่านะชายหนุ่มคนนี้เนี่ยแกก็อธิษฐานนะขอให้พระเจ้าช่วยให้รอดชีวิตจากอุบัติเหตุแล้วก็รอดชีวิตจริงๆนะแทนที่จะขอบคุณพระเจ้านะกลับไปโทษ ว่าพระเจ้าทำไมทำให้ฉันต้องพิกการทำให้ฉันต้องกระโหลกร้าวทำให้ฉันต้องป่วยหนักขนาดนี้จริงๆนะ่าจะขอบคุณนะที่รอดตายนะยังมีชีวิตรอดถึงแม้ว่าจะแขนหักขาหักมันก็ยังสามารถเยียวยารักษาได้กระโหลกร้าวนะมันก็ยังดีกว่าหัวใจหยุดเต้นหรือสมองตายแม้แรู้จัก ขอบคุณนะว่าเออเจ้านะช่วยฉานแ ม, ม่ช้มีชีวิตรอดเนี่ย mm hmm. เขาก็จะมีความสุขได้ง่ายนะกายทุกแต่ว่าใจนี่เป็นสุขแต่นี่ชาญหนุคนนี้นี่กายทุกแล้วใจก็ทุกด้วยเพราะไปโทษกลดาพระเจ้านะอันนี้ก็แสดงถึงนะมุมมองนะหรือนิสัยนะที่ชอบมองลบมองร้าย หาข้อตำหนิอย่างเวลาได้อาหารมามีคนทำอาหารให้กินจะเป็นแม่จะเป็นคนใกล้ชิดเนี่ยเราทันทีขอบคุณเขานะกับจ้องจับผิดว่าเนี่ยอาหารแม่อร่อยนะกินรสชาติไม่ถูกปากเลยคนแบบนี้เดี๋ยวนี้ก็มีเยอะนะคือชอบมองลบมองร้ายสิ่งที่ดีๆเนี่ย ถากว่ารู้จักขอบคุณโชคดีนะที่ฉันมีอาหารกินโชคดีนะที่ฉันยังมีสุขภาพดีมีลมหายใจนะกินอิ่มนอนอุน่นถ้ารู้จักมอแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีความสุขได้ง่ายตื่นเช้าขึ้นมาก็ขอบคุณมีเรื่องขอบคุณสิ่งต่างๆมากมายนะไม่ว่าจะเป็นลมหายใจที่ทําให้มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นสุขภาพที่ยังดีอยู่ แต่ถ้าหาว่ามองลบเนี่ยมันก็จะเห็นข้อตำหนินะบ้านหลังเล็กนะหรือว่าอากาศนี่มันมันไม่เย็นพอนะหรือว่าแดดนะมันไม่สว่างสวยพอมีข้อตาหนิและคนที่มองลบแบบนี้เนี่ยเขาก็จรู้สึกว่าโลกนี้มันโหดร้ายกับเขาเนะชื่อพระเจ้าก็เห็นว่าพระเจ้านี่โหดร้าย ที่น่าสนใจอย่างเนี้ยก็คือว่าเดิมก็ไม่เชื่อพระเจ้านะแต่พอจะตายขึ้นมานี่สวดมนต์นึกถึงพระเจ้าขึ้นมาเลยบอกเลยว่าฉันจะนับถือพระเจ้าคนเราเนี่ยเวลาเจอเหตุร้ายเนี่ยจะให้ยอมก็ยอมทำทุกอย่างนะไม่เชื่อศาสนาก็ไม่เชื่อพระเจ้าก็พร้อมที่จะเชื่อขึ้นมาทันทีขอให้รอดตาย แต่พรรอเราตายาจริงแล้วก็ยังบนนะ่นยังว่าว่าพระเจ้าไม่ช่วยเท่าที่ควรหรือว่าบุญกุศลนะไม่ปกปักรักษาให้ปลอดภัยอย่างแท้จริงในการที่คนเราเนี่ยเวลาเจอทุกเนี่ยแล้วก็ยอมทุกอย่างเพื่อให้หายทุกขหายวิกฤตเสร็จแล้วพอรอดปลอดภัยหลุดพ้นจากวิกฤตได้นี่ทั้งที่เปลี่ยนใจนะ มีหลายคนเนี่ยนะบนบานเนี่ยว่าถูกลอตเตอรีร่ที่หนึ่งเมื่อไหร่นี่ฉันจะทําบุญวัดนั้นวัดนี้กี่แสนฉันจะช่วยเหลือพ่อแม่นะกี่แสนฉันจะจา่ายเงินทําบุญเท่านั้นเท่านี้แต่พอได้มาจริงๆนะถูกลอตเตอรีร่ได้รางวัลหลายสิบล้านนะไอ้ที่บอกว่าจะทำโน่นทํานี่เปลี่ยนใจเลยนะไม่เอาแล้ะรู้สึกเสียดายเงินขึ้นมา บางคนเนี่ยบนบานสารกล่าวนะว่าจะถ้าห่างหายป่วยนะจะไปราแก้บนบางที่ราแก้บนธรรมดาไม่ดูจะไม่ถูกใจพระเจ้าหรือเทวดานะบอกจะเปลื้องผ้าราแก้บนไอตอนที่ยังไม่หายป่วยเนี่ยมันก็ยอมทุกอย่างนะแต่พอหายป่วยจริงๆนะเริ่มเกีียงแล้ว ไม่ยอมทําตามที่บนบานเอาไว้หรือตามทำตามที่รับปากเอาไว้เปลี่ยนใจนะไปจ้างคนอื่นมาลําแทนหรือบางทีก็เบี้ยวเลยหลายคนเนี่ยเวลาจะกู้นี่ยืมสินนะบอกเลยนะว่าฉันพร้อมจะจ่ายเงินเท่านั้นเท่านี้จ่ายดอกเบี้ยเท่านั้นเท่านี้นะขอให้ได้เงินกู้ได้เงินยืมมาพอได้สนใจแล้วนะเบี้ยวชักดาบเนี่ยอันนี้มีเยอะนะ อันนี้เป็นเพราะว่าคนเราเนี่ยเวลามันมีภัยจวนตัวนี่มันพร้อมมันยอมทุกอย่างแต่พอปลอดภัยแล้วปัญหาหมดไปแล้วใจเปลี่ย น, นยก็เลยเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาด น, นั้นเนี่ยต้องระวังนะเ ว, เ, วเวลาเราเจอทุกเนี่ยอย่าอย่าเผลอนอย่าปล่อยใจง่ายๆ ย, ยอมทุกอย่างเสร็จแล้วพอถึงเวลาปัญหาหมดหลุดพ้นจากความทุกข์แล้ว ก็เปลี่ยนใจกลายเป็นเสียผู้เสียคนไป